ข้อความในพระสูตรต่ออีกนะนี่มาขึ้นสูตรที่สี่สักการะสูตรสูตรนี้ก็เกี่ยวกับโลกธรรมนั่นแหละนะ เ, เป็นพระสูตรที่เกี่ยวกับโลกธรรมข้าพเจ้าได้สดับมาแล้วอย่างนี้สมัยหนึ่งพระผู้มีพระภาคเจ้าประทับอยู่หน้าพระวิหารเชตวัน อารามของท่านอนาถบินธิกะเศรษฐีใกล้พระนครสาวัตถีก็สมัยนั้นแลพระผู้มีพระภาคเจ้าเป็นผู้อันมหาชนสการะเคารพนับถือบูชายำเกรงพอเขาเคารพมากก็เอาอะไรมาถวายเอาจีวรบินทบาทเสนาสนะและขีลานะปัจจัยเพศสัตว์บริขาร แม้ภิกษุสงค์ก็เป็นผู้อันมหาชนสักการะเคารพนับถือบูชาย่ำเกรงได้จีวรบินทาบาทเสนาสนะและคิาณปัจจัยเพสัตบริคารทีนี้เมื่อมีผู้ได้ก็ต้องมีผู้เสียใช่หัหยก็เลยมีส่วนอัญญะเดียรฐีปริภาชคคือนับบวชนอกศาสนาเป็นผู้อันมหาชนไม่สักการะไม่เคารพไม่นับถือไม่บูชาไม่ยำเกรง ก็เลยไม่ได้จีวรบิทธบ่าเสนาสนะคขิลานปัจจัยเพศสักบริคารก็คือขาดลาบสการะขาดปั จ, จัยสีนั่นเองครั้งนั้นแลพวกอัญญาเดรธีปริภาชกนะอดกลั้นสการะของพระผู้มีพระภาคเจ้าและพระภิกษุสงฆ์ไม่ได้แปลว่าระงับความริษยาไม่ได้นะเห็นเห็นฝ่ายตรงกันข้ามมากไปด้วยปัจจสเนี่ยนะ อีกฝ่ายนี้ฝ่ายนี้ก็ทนไม่ได้เพราะว่าพวกไอริสยาตาร้อนเนี่ยก็เครียดนะนะเพราะฉะนั้นเห็นที่สุทั้งหลายในบ้านหรือในป่าแล้วก็ย่อมด่าบริภาดเกลี้ยกราดเบียดเบียนด้วยวาจาหยาบคายไม่ใช่ของสัตว์ปรุษประชาชนนี่ก็เคารพ บ, บูชามากเดียร์ีก็ด่าเอาด่าเอานี่นะแสดงว่าหูเดียวกันนี่แหละอีกภาคหนึ่งได้ยินคาชมมาก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 เป็นผู้อันมหาชนสักการะเคารพนับถือบูชายาเกรงทรงได้จีวรบิณฑบาตเสนาสนะและคีลานะปัจจัยเพรรสัชบริการแม้ภิกษุสงฆ์ก็เป็นผู้อันมหาชนสักการะเคารพนับถือบูชายาเกรงได้จีวรบิณฑบาตเสนาสนะและคีลานะปัจจัยเพสัชบริการส่วนพวกอัญญะเดรธีปริภาชกเป็นผู้อันมหาชน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 คือทราบทั้งทราบโลกธรรมเป็นอย่างดีนะพระองค์ทราบโลกธรรมในฝ่ายที่มหาชนสการะขณะเดียวกันก็รู้อย่างดีถึงฝ่ายที่คอร์หาเนี่ยนะฝ่ายที่ตําหนิติเตียนพระองค์ก็เลยเป่งอุทานนี้ในเวลานั้นว่าท่านทั้งหลายผู้อันสุขและทุกขถูกต้องแล้วในบ้านในป่าะนะไม่ตั้งสุขและทุกนั้นอ่ะจากตนไม่ตั้ง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 ถวายจีวรถวายอาหารถวายที่อยู่อาศัยขณะเดียวกันพอไปในป่าเดือดรถีมาดา่าเอาดา่าเอาดา่าเอาเราเข้าเมืองคนบูชาเข้าป่าคนก็ดา่า น, นะเพราะฉะนั้นไม่ควรใส่ใจในสุขในทุกเหล่านั้นพั้นเวลาที่เขาชมในบ้านก็อย่าไปดีใจ น, นะก็คือไม่ควรไปใส่ใจหลงระเริง เ, เ, เพลิดเพลินด้วยอำนาจฉันนราคาเวลาไปอยู่ในป่าถูกเข้าดา่าก็ไม่ควรเสีย ใ, ใจอีกนั่นแหละ แล้วก็ไม่ควรจะไปอะไรนะไม่ควรจะไปให้ค่ากับคำชมแล้วก็ไม่ควรจะไปเสียใจกับคำคำตำหนิเหล่านั้นเพราะเพราะว่าภาษาเหล่านี้เกิดจากอะไรขออภัยนะสุขทุกเกิดจากอะไรสุขทุกนี้เป็นเวทนาใช่ัหมมีภาษาเป็นปัจจัยภาษานี้เพราะอาศัยอุปธิอุปธิก็คือตาหูจมูกเลนกาใจ เพราะมีตาหูจมูกเลนกายใจนั่นแหละจึงมีผัสสะผัสสะกับอารมณ์ที่น่าปรารถนาก็ก่อให้เกิดความสุขผัสสะกับอารมณ์ที่ไม่น่าปรารถนาก็ก่อให้เกิดความทุกข์เพราะฉะนั้นสุขทุกข์ทั้งมวลมาจากผัสสะผัสสะก็มาจากตาหูจมูกเลนกายใจถ้าหากว่าไม่มีตาหูจมูกเลนกายใจเนี่ยนะถ้าไม่มีผัสสะเพราะดับอุปธิได้แล้ว หรือแปลว่าถ้าตรัสรู้พระนิพพานแล้วเนี่ยนะไม่ต้องอาศัยอุปธิแล้วเนี่ยษะเป็นที่ตั้งแห่งสุขทุกข์จะมีอีกหรืองั้นพระองค์เนี่ยคิดเลือกซึ้งถึงขนาดว่าถ้าไม่มีหูเนี่ยจะถูกชมถูกด่าไหมนะนั่นะก็แปลว่าถ้าไม่มีขันธาตุอายตนะจะเป็นที่ตั้งแห่งะจะเป็นที่ตั้งแห่งความชื่นชมและจะเป็นที่ตั้งแห่งการดูหมิ่นเยียดหยาบไหมก็เพราะมีกายนี่แหละจึงมีสุขมีทุกข์ ก็เพราะมีอุปทิคือขันนี่แหละจึงมีสุขมีทุกขันถ้าไม่มีอุปทิไม่มีขันอายตนะผัสสะทั้งหลายจะรับก็จะเกิดขึ้นได้อย่างไรนันพระองค์ไม่ได้ไปอะไรนะไม่ได้ไปคิดเออดีนะที่เขาชมโอ้มาเสียใจที่เขาด่าไม่ก็เพราะมีขันมีอายตนะแท้ๆเนี่ยนะจึงได้รับคำสรรเสริญและก็ถูกตำหนิ พูดถึงเรื่องราวความเป็นไปก่อนที่จะมีพระสูตรว่าพระผู้มีพระภาคเจ้าเป็นผู้อันเทวดาและมนุษย์สการะด้วยเครื่องสาการะเป็นต้นอันเจริญยิ่งขึ้นเจริญยิ่งขึ้นอันเป็นผลแห่งบุญสมภาระและคุณวิเศษที่พระองค์ในทรงบำเพ็ญมาสี่อสงไขย์กำไรแสนกับประหนึ่งเกิดความอุตสาหะขึ้นว่าเบื้องหน้าแต่นี้เราไม่มีโอกาส บุญทั้งหลายที่เคยสั่งสมนะโดยเฉพาะชาวนะดวงที่สองถึงดวงที่หกตลอดมาสี่อสงไขยแสนกับเนี่ยนะบุญเหล่านั้นเจตนาเหล่านั้นเนี่ยลังไลตามมาให้ผลเพราะอะไรเพราะกลัวจะไม่มีโอกาสให้ผลเรียบให้ผลใหญ่เลยจึงอยู่บารมีทั้งปวงเนี่ยเป็นเหมือนประมวลมาเป็นเหมือนประมวลกันว่าจักให้วิบากในอัตภาพคือชาติเดียวจึงบรรดาลห่วงน้า ห่วงน้ำอันใหญ่คือลาบสการะให้บังเกิดขึ้นแก่พระผู้มีพระภาคเจ้าเนี่ยนะบุญของพระองค์เนี่ยกระตุ้นทำให้บุคคลทั้งหลายาได้ยินถึได้ยินชื่อพระองค์เห็นพระองค์ก็น้อมไปเพื่อที่จะบูชาสการะใช่ไหมเพราะผลบุญเหมือนเมฆใหญ่เนี่ยเป็นคู่คูตั้งขึ้นทุกทิศทำให้เกิดห่วงน้ำใหญ่ฉะนั้นเพราะผลบุญนั่นแหละเป็นปัจจัยกริย์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 จึงเอากวียนร้อยเล่มบรรทุกปัจจัยสี่นี่มาเมื่อยังไม่ได้โอกาสจึงเอาทูบเวียนกับทูบเวียนเนี่ยจดกันแม้ในที่ประมาณคาวุธิหนึ่งโดยรอบพักอยู่ติดตามไปเหมือนอันทกะพรามและวินทพรามเป็นต้นนะบุคคลเหล่านี้เนี่ยขนสเบียงขนปัจจัยสี่บางคนเนี่ยขนปัจจัย4ี่มาสามเดือนแล้วยังไม่มีโอกาสจะทําบุญเลยนะจนจนต้องเอ๊ะทำยังไงดีก็ให้พระองค์เนี่ยอนุญาตอะไรนะ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 เมื่อบุญท่านสั่งสมไว้เยอะท่านให้ทานไม่มากลาบสักการะก็เกิดขึ้นลาบสักการะปัจจัยเหล่านี้เป็นผลของบุญเก่าที่ทำให้ให้ได้รับ น, นะดังที่พระองค์ตรัสว่าจุนทะบัดนี้สงหรือคณะมีประมาณเท่าใดเกิดในโลกแล้วดูก่อนจุนทะเราไม่มองเห็นสงหมู่อื่นแม้หมู่เดียวพูดถึงความเลิศ ด, ด้วยลาบและยศอย่างนี้เหมือนภิกษุสงนั้น จุนทะลาบสการะนี้นั้นเกิดแก่พระผู้มีพระภาคเจ้าและภิกษุสงฆ์หาประมาณไม่ได้เหมือนห่วงน้ําของแม่น้ําใหญ่สองสายรวมเป็นสายเดียวกันท่า น, นก็เลยลาบสการะเกิดขึ้นมากจริงๆ น, นีฝ่ายเดียร์ถีทั้งหลายอันใครๆไม่สกการะไม่เคารพเพราะเป็นผู้ไม่ได้ทําบุญไว้ในปางก่อ น, อนนะเหตุผลก็คือไม่ได้ทําบุญไวใช่ไหมเมื่อไม่ได้ทําบุญไว้ ลาบส ก, การะจะเกิดได้อย่างไรเพราะลาบส ก, การะวัตถุที่น่าปรารถนาทั้งหลายเป็นของผู้มีบุญเนี่ยนะเป็นสมบัติของผู้มีบุญแล้วประโยคะ้าก็ผิดอีกใช่ไหมประโยคะ้าก็วิบัติเพราะเดียรถีนี้ปฏิบัติผิดปฏิบัติในมิจฉาปฏิปทาว่าโดยพิเศษทางพุทธบาตรการเนะ่เป็นผู้มีความงามวิบัติควมหมายคว่า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 ในลาบส ก, การะของพระผู้มีพระภาคเจ้าและพระพิสุสงฆ์ถูกความริษยาครอบงำจึงริษยาว่าเราจะด่ากระทบพวกเหล่านี้ด้วยพุทวาจาวาจาที่เป็นคำหยาบะนะเหมือนเอาขวานเอามีดเอาไ้คอยทิ่มหูเขาอะอย่างนี้แล้วก็ไล่ให้หนีไปทำการริษยาเป็นฆ่าศึกเที่ยวดาบบริพาทภิกษุทั้งหลายในที่นั้นๆนะก็ ถือว่าเป็นคำพูดที่หยาบมากเลยนะเป็นคำพูดที่หยาบก็ ว, ว่าไม่มีคำเหล่านี้เขาไม่มาพูดในที่ชุมชนกันเป็นวาจาหยาบเป็นคำพูดที่ตัดความรักตัดความอาลัยอาวรณ์ตัดความเยื่อใยด่ากระทบชาติกระทบตระกูลเป็นต้นบางทีก็ทำให้เกิดความกลัวเนี่ยนะปริภาสันติคุกคมให้เกิดความกลัวอันนี้เรียกอะไรนะโคลใช่ไหมไปโคลหรือ ไปขูอะไรนะเขาเรียกคล้ า, ายๆกับไปขูไว้เลยนะถ้าไม่ไปเนี่ยโดนแน่อะไรนะเขาเรียกอะไรนะแบบนั้นแหละ mm. พออะไพวกนี้ก็เลยเกลียวกราดพยายามจะเบียดเบียนพระพิสุสง์โดยประการต่างๆถามว่าอย่างไรพวกเหล่านี้จึงพากันด่าเป็นต้นให้เกิดในพระผู้มีพระภาคเจ้าและพิกสุสง์เป็นที่ตั้งแห่งความเลื่อมสายรอบด้าน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 สร้างเรื่องก็คือสร้างเรื่องโดยการฆ่านางสุนทริกานี่แหละฆ่านางสุนทริกาปริภาชิกาก็อาศัยเหตุนี้ก็เที่ยวโพลธนาด่าพระพุทธเจ้าด่าพระพิสุสงกันใหญ่เลยหลังจากที่พระพิสุทั้งหลายกราบทูลเรื่องทั้งหมดให้พระองค์ฟังในอัตถคฐานหน้า186บอกว่าเอตมัตถังวิทิตวะคือพระองค์ก็ทรงทราบเรื่อง ทั้งหมดโดยประการทั้งปวงถึงการปฏิบัติผิดนี้ของเดียรถีผู้ถูกความริษยาครอบงำพระองค์ก็เลยเปล่งอุทานว่าเปล่งอุทานที่แสดงถึงความที่พระองค์เนี่ยเป็นผู้คงที่ตาที่โนเนี่ยนะคงที่หมายคว่าไม่ยุบลงหรือไม่ฟูขึ้นะนะในประการอันผิดที่พวกเดียรถีเหล่านั้นกระทำในอุปการะที่ชนเหล่าอื่นผู้มีจิตเลื่อมใสกระทา พระองค์ไม่ยุบลงเลยเพราะเดารถีด่าและก็ไม่ได้ฟูขึ้นเลยเพราะมหาชนเลื่อมใสก็คือแสดงถึงว่าพระองค์เป็นผู้คงที่จริงๆก่อนข้อความในคาถาบอกว่าคาเมอรัญเยสุขะทุกขะพุทโธความว่าผู้ถูกสุขและทุกข์สัมผัสแล้วคือเสวยสุขและทุกข์ในที่ใดที่หนึ่งไม่ว่าจะบ้านหรือป่า หรือพรั่งพร้อมด้วยเหตุแห่งสุขและทุกข์เหล่านั้นเพราะสุขทุกข์นี้เกิดจากภัสสะใช่ไหมอาจจะไปรับกระทบถูกด่าในถูกชมในหมู่บ้านหรือถูกด่าในป่าหรืออย่างไรก็ตามสรุปก็สุขทุกข์เหล่านี้ก็ไหลมาจากทวารหกนั่นแหละเพราะฉะนั้นพวกท่านอย่าตั้งสุขและทุกข์นั้นน่ะจากตนหรือจากผู้อื่นเลยว่าเรานี่ได้รับสุขได้รับทุกข์เพราะเรานี่แหละหรือเพราะผู้อื่นเป็น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 ขันห้ามันก็ดีบ้างไม่ดีบ้างก็ขันห้านั่ น, นแหละเป็นแต่เฉพาะสังขารอย่างเดียวเท่านั้นเกิดขึ้นตามปัจจัยแล้วก็แตกไปทุกขณะขันห้าเกิดไปตามปัจจัยแล้วก็แตกไปทุกขณะพระพุทธเจ้าไม่ได้สนใจในภาษาโูหารที่คุยกันเลยสนใจว่าทั้งหมดนี้คืออะไรคือขันทาศยตนะที่ไหลสืบเนื่องกันไปอนนัภาษาเป็นปัจจัยจึงมีเวทนาเนี่ยนะ เวทนาเป็นปัจจัยจึงมีตันหาเป็นต้นแล้วก็ประกาศถึงสิ่งเหล่านี้เนี่ยน ะ, ะขันธาตุอายตนาเหล่านี้ก็เป็นของที่ไม่เที่ยงเป็นของที่มีความสิ้นไปเสื่อมไปเมื่อสิ่งเหล่านี้สิ้นไปเสื่อมไปแล้วเป็นใครล่ะเป็นเราใช่ไหมเป็นของเราใช่ไหมเป็นคนอื่นใช่ไหมหรือว่าเป็นของผู้อื่นะนะมันก็ไม่ใช่ใครหรอกวันสุขทุกเนี่ยนะอาศัยขันธาเนี่เกิดขึ้นเพราะมีขันธานั่นแหละจึงมีภาษะ เป็นที่ตั้งแห่งสุขเป็นที่ตั้งแห่งทุกข์ก็คือขันธ์ห้าเนี่ยเป็นที่ตั้งแห่งโลกธรรมเป็นที่ตั้งแห่งสุขทุกข์เป็นที่ตั้งแห่งลาภและเสื่อมลาภเป็นที่ตั้งแห่งนินทาและสรรเสริญเป็นที่ตั้งแห่งยศและความเสื่อมยศเพราะโลกธกรรมทั้งหมดเหล่านี้เกิดขึ้เนเพราะมีขันธ์ห้าเพราะถ้ามีขันธ์ห้าหรือถ้ายังมีขันธ์ห้าอยู่ไม่ต้องห่วงว่าจะไม่ได้รับโลกธรรมเพราะโลกธรรมเนี่ยนะได้รับแม้กระทั่งพระพุทธเจ้า คนที่ไปสักการะพระพุทธเจ้าก็มีขณะเดียวกันคนที่ไปด่าพระพุทธเจ้าก็มีเพราะขันห้าเป็นที่ตั้งแห่งโลกธรรมแปดนะถ้ายังมีโลกธรรมแปดก็เพราะมีขันห้าถ้ามีขันห้านี้ให้พ้นจากโลกธรรมเป็นไปไม่ได้ <c oughs> ข้อความในพระพุทธพจน์ที่บอกว่านะในขันห้านี่ไม่มีสิ่งอะไรอะไรที่ควรจะตามเห็นว่าเป็น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 อาตาจะเป็นใครได้ไหมมียศมีตําแหน่งอะไระไหมแต่ไปตั้งว่าเออนี่เป็นลุงเป็นป้าเป็นหน้าเป็นอาเป็นพี่เป็นน้องเป็นต้นเนีย่ยมีไหมก็ไม่มีนะจะมะมะกะวต จ, จิไม่เห็นอัตตาของตนในที่ไหนไหนกัตจิกินจนะตัตถิเนีน่ยไม่เห็นตัวตนของผู้อื่นมีอยู่ในที่ไหนๆหนึหน่งอันนี้ก็ลักษณะว่าตนเมื่อตัวเองเราอะตัวเราเนี่ยไม่มี แล้วเราจะอยู่ในตําแหน่งอะไรอยู่ไหมเราก็ไม่มีเลยก็มีแต่ขันหอาขันห้ามีอยู่จริงแหะว่างั้นแต่ถ้าขันห้ามีอยู่จริงแต่ว่าอัตตาไม่ได้มีอยู่จริงเมื่ออัตตาไม่มีอยู่จริงแล้วอัตตาจะไปดํารงตําแหน่งอะไรผู้อื่นมีจริงไหมโดยประมัตนะก็ไม่มีอยู่จริงเมื่อผู้อื่นไม่มีอยู่จริงแล้วผู้อื่นดํารงอยู่ในตําแหน่งอะไรนี่นะพั้นเป็นการประกาศถึงว่าไม่ใช่เรา ก็ไม่ใช่ของเราไม่ใช่ผู้อื่นและก็ไม่ใช่ของผู้อื่นอันนี้พูดแบบคนที่เตรียมจะปล่อยวางนะเตรียมที่จะตรัสรู้เนี่ยจะต้องเห็นความเสมอกันในสัพพสังขารทั้งปวงว่าเป็นของว่างจากความเที่ยงว่างจากความอกว่างจากความสุขว่างจากความยั่งยืนและว่างจากอัตตามไม่เห็นว่าเป็นตนเป็นของของตนไม่เห็นผู้อื่นและก็ไม่เห็นว่าเป็นของ ผู้อื่นก็เห็นเป็นสังขารธรรมทั้งหลายที่ถูกปัจจัยปรุงแต่งสิ่งใดสิ่งหนึ่งที่ถูกปัจจัยปรุงแต่งสิ่งทั้งมวลล้วนแต่มีความดับไปเป็นธรรมดาเนี่ยนะสิ่งที่ถูกปัจจัยปรุงแต่งที่มีความแปรปลวนไปเป็นธรรมดาเหล่านี้แหละที่เรียกว่าสังคตะธรรมเป็นสังคตะธรรมการเกิดขึ้นของสิ่งเหล่านี้พระองค์ตรัสว่าปีลนะกับสันตาปะเป็นของที่เบียดเบียนบีบคันแล้วก็เป็นของที่แปรไป บทว่าผู้สันติภัสสะอุปทิงปฏิจจ์ความว่าขึ้นชื่อว่าภาัสสะอันเป็นเครื่องอํานวยสุขและอํานวยทุกนี้อาศัยอุปธิกล่าวคือขันธพันจกะเพราะมีขันหานี่แหละจึงมีภัสสะใช่ไหมเพราะมีภัสสะนี่แหละจึงมีสุขมีทุกข์สุขทุกขนี้ก็ย่อมถูกต้องตามอารมณ์ที่เป็นของตนในเมื่ออุปธินั้นมีอยู่คือเป็นไปในอุปธินั่นเอง จรงอยู่อทุคมสุขเวทนาสงเคราะห์เข้าในสุขเหมือนกันเพราะมีภาวะสงบเพราะฉะนั้นก็แสดงยกตรงนี้ยกเวทนาแค่สองไงไหมเขียนง่ายๆว่าถ้ามีรูปประคันก็ยังมีสุขมีทุกข์ถ้าไม่มีรูปประคันนี่จะไม่มีสุขมีทุกข์ถ้ามีรูปประคันถ้ารูปเป็นอิทธารมณ์ก็เป็นที่ตั้งแห่งสุขถ้ารูปเป็นอนิธารมณคือไม่น่าปรารถนาก็เป็นที่ตั้งแห่งทุกข์นั้นถ้ามีรูปก็มีสุขมีทุกข์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 สมมติว่าตัดชันธราคะาตัดเยื่อใยจนไม่มีขันห้าเลยเนี่ยจะมีสุขมีทุกไหมภาษะเหล่านั้นจะพึงถูกต้องอ่ะถูกต้องได้ไหมถ้าหากว่าไม่มีขันแล้วก็บอกไม่มีหรอกก็ถ้าว่าท่านทั้งหลายไม่ปรารถนาสุขไม่ปรารถนาทุกข์อันเกิดจากการด่าเป็นต้น้ายหมายความว่าไม่ปรารถนาสุขที่เกิดจากคาชมไม่ปรารถนาทุกที่เกิดจากคาด่า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 คถานี้ตรงไหนเป็นวัตะ น, นะก็หมายถึงว่าผัสสะทั้งหลายเนี่ยถูกต้องเพราะอาศัยอุปธิอันนี้เป็นวัตะใช่ไหมนี่เป็นลักษณะของวะตะถ้ายังมีวะตะยังมีขันห้าอยู่ผัสสะก็ขันห้าเป็นปัจจัยจึงมีผัสสะขันห้าเป็นปัจจัยแห่งผัสสะผัสสะก็เป็นปัจจัยให้มีเวทนาถ้าหากว่า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 คนธรรมดาทั่วๆไปคิดว่าเอ๊ะทำยังไงเนี่ยเราจะอํานวยลาบสการะสรรเสริญให้เป็นได้อย่างยืดยาวแล้วจะดับคําคารหาคําติเตียนคํานินทาได้อย่างไรอันนี้คือคิดแบบคนทั่วๆไปแต่พระพุทธเจ้านี้คิดสุดยอดเลยว่าถ้ามีขันธ์ห้าก็ยังมีสุขมีทุกข์อย่างนี้แล้วถ้าไม่มีขันธ์ห้าจะต้องมีสุขมีทุกข์อย่างนี้หรือเดี๋ยนะก็คิดแบบวัตฏะกับวิวั ต, ตะมองแบบอริยสัจเลยนะว่า อุปธิใช่ไหมอุปธิสมุทัยอุปธินิโรธอุปธินิโรธาคามิเนปฏิปทาสอนข้อปฏิบัติเพื่อให้กําจัดอุปธิสมุทัยจะได้ดับอุปธิโดยประการทั้งปวง อ, นะอันนี้จะเห็นอัธยาศัยอย่างหนึ่งของพระพุทธเจ้าว่าพระองค์นี้มีอัธยาศัยน้อมไปหาอาสังขตะธรรมจริงๆรนะิเป็นอัธยาศัยที่น้อมไปเพื่ออนุปาทิเสสนิพ า, านธาตุจริงๆ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 อย่าร้อนเกินไปอย่าหนาวเกินไปอย่าเย็นเกินไปถามว่าทำได้ไหมในโลกนี้ก็ไม่ได้หรอก